เรื่องภิกษุผู้ได้รับการบำรุงหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งบอกอุบาสกคนหนึ่งว่าอุบาสกภิกษุรูปที่ท่านบำรุงด้วยจีวรบินทบาตเสนาสนะและเครลานปัจจัยเภสัชบริขารนั้นเป็นพระอรหันต์และอุบาสกก็บำรุงภิกษุนั้นอยู่ด้วยจีวรบิทบาทเสน า, นาสนะ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 วงเล็บเรื่องที่สิบสี่